เพื่อทำให้เราเห็นว่าให้ความเป็นมนุษย์ที่เราได้ครองอยู่นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนคุมทรัพย์ที่เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อ๋มอมใงานหนึ่งคำถามนี้มก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เลือกจะเกิดมาเหมือนไม่เหมือนถามว่าทาไมเรียนวิชานี้ทำไมเข้ามหาวิทยาลัยนี้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 แม้แต่หมาแมวนี่มันนอนหลับได้ง่ายๆแต่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่นอนไม่หลับทั้งๆั้งที่มีเงินเยอะทั้งเพียงแค่การมีเงินมากมายมันก็ไม่ใช่คำตอบและยิ่งมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ้วยแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่มีคนหนึ่งแกเป็นซีอนะก็เรียกว่ามีฐานะการเงินที่ดีแล้วก็ปรากฏว่าพอแก